ชาณสังกัติกรถาว่าด้วยการเลื่อนชาญแปดร้อยสิบสามสกโยคีบุคคลเลื่อนจากชาญหนึ่งไปสู่ชาญหนึ่งได้ใช่ไหมปรใช่สกเลื่อนจากปฐมชาญไปสู่ตติยชาญได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเลื่อนจากชาญหนึ่งไปสู่ชาญหนึ่งได้ใช่ไหมปรใช่สก เลื่อนจากทุติยชาญไปสู่จัตุรยชาญได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเลื่อนจากปฐมชาญไปสู่ทุติยชาญได้ใช่ไหมปรใช่สกความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปฐมชาญก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยชาญใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก โยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ทุติยะฌานได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปฐมฌานก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยะฌานใช่ไหมปรใช่สกทุติยะฌานเกิดขึ้นจา่โยคีบุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ทุติยชาญเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากทุติยชาญเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ผู้ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมชาญไปสู่ทุติยชาญได้สกโยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมชาญไปสู่ทุติยชานได้ใช่ไหมปรใช่สก ปะถมชาญเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผู้มนัสกการกรามทั้งหลายด้วยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรใช่สกทุติยชาญเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผู้มนัสการกรามทั้งหลายด้วยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปะถมชาญมีวิตกมีวิจารณใช่ไหมปรใช่สก ทุติยฌานมีวิตกมีวิจารใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ทุติยฌานได้ใช่ไหมปรใช่สกปฐมฌานกับทุติยฌานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดร้อส่สกโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยฌานไปสูาา่ตติยฌานได้ใช่ไหม ปรอใช่สกความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยชาญก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยชาญใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยชาญไปสู่ตติยชาญได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยชาญก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยชาญใช่ไหม ปรใช่สกตาติตยชฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกตติตยะฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรใช่สกหากตาติยชฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า โยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยชาญไปสู่ตติยชาญได้สกโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยชาญไปสู่ตติยชาญได้ใช่ไหมปรใช่สกทุติยชาญเกิดขึ้นจาโยคีบุคคลผู้มนัสิการวิตกวิจารโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรใช่สกตติยชานเกิดขึ้นจาโยคีบุคคลผู้มนัสิการวิตกวิจาร โดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทุติยฌานยังมีปีติใช่ไหมปรใช่สกตติยฌานยังมีปีติใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยฌานไปสู่ตติยฌานได้ใช่ไหมปรใช่สก พุติยชานกับตติยชาญเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดร้อสกโยคีบุคคลเลื่อนจากตัติยชาญไปสู่จตุทชาญได้ใช่ไหมปรใช่สกความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยชาญก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุทชาญใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกโยคีบุคคลเลื่อนจากตติยฌานไปสู่จตุทฌานได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌานก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุทฌานใช่ไหมปรใช่สกจตุทฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก จตุตชานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปอรใช่สกาหากจตุตชานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโยคีบุคคลเลื่อนจากตัิยิฌานไปสู่จตุตชฌานได้สกโยคีบุคคลเลื่อนจากตัตยิฌานไปสู่จตุตชฌานได้ OK han, ชไชไดใช่ไหมปรใช่ สกตติยะชานเกิกกดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มานาสิการปีติโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรใช่สกเจตุทัชฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มานาสิการปีติโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกตติยะชานสหรคตด้วยสุขใช่ไหมปรใช่สก จตุทัชฌานสหรอคตด้วยสุขใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโยคีบุคคลเลื่อนจากตติยฌานไปสู่จตุทัชฌานได้ใช่ไหมปรใช่สกตติยฌานกับจตุทัชฌานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดร้อยสปรท่านไม่ยอมรับว่าโยคีบุคคลเลื่อนจากฌานหนึ่งไปสู่ฌานหนึ่งได้ใช่ไหม สกใช่ปรพระสุที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพิกษุในธรรมวิในนี้จงัดจจากการมทั้งหลายเข้าจจตุทชฌานอยู่มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นโยคีบุคคลจึงเลื่อนจากฌานหนึ่งไปสู่ฌานหนึ่งได้ฌานสังกันติอัคคาจบเจ็ด ชานันตริกระคถาว่าด้วยสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานแปดร้อยสิบเจ็ดสกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่สกสมาธิที่เกิดในระหว่างผัสสะสมาธิที่เกิดในระหว่างปัญญามีอยู่ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่ สกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างทุติยฌานกลับตติยฌานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างตติยฌานกลับจตุทัฌานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก สมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างทุต uh ิยะฌานกลับตติยะฌานใช่ไหมปรใช่สกหากสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างทุติยะฌานกับตติยะฌานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่สกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างตติยะฌานกลับจตุทชานใช่ไหมปรใช่ สกหากสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างตัตยฌานกับเจตุตฌานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่แปดสสกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างปฐมฌานกับทุตยฌานใช่ไหมอรอใช่สกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่าง ทุติยฌานกับตติยฌานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานใช่ไหมปรใช่สกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างตติยฌานกับจัตุทฌานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌาน ไม่มีในระหว่างทุติยฌานกับตติยฌานใช่ไหมปรใช่สกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างตติยฌานกับจตุติฌานใช่ไหมปรใช่สกสมาธิที่เกิดในระหว่างฌาน ไม่มีในระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้อยสิบเกสกสมาธิท er, ี่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ชื่อว่าสมาธิเที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรใช่สกสมาธิที่มีวิตกมีวิจารณ์ชื่อว่าสมาธิเที่ยงเกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก สมาธิที่ไม่มีวิตตกมีเพียงวิจาร์ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรใช่สกสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมาธิที่มีวิตกมีวิจาร์ไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรใช่สก สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรใช่สกสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 820สกสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์มีอยู่ในระหว่างฌานทั้งสองที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าใช่ไหมปรใช่สกเมื่อสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นไปอยู่ปฐมฌานดับไปทุติยฌานเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใช่ไหมปรใช่สกหากเมื่อสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นไปอยู่ ปฐมฌานดับไปทุติยฌานเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่งางฌานมีอยู่ในระหว่งางฌานทั้งสองที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแปดอยอปอรสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมสกใช่ปอร สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตฌานใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์จึงชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌาน822ร้่สสองสกสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหม ปรใช่สกสมาธิพระผู้มีประภาคตรัสไว้สมอย่างคือหนึ่งสมาธิที่มีวิตกมีวิจารสองสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสามสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารไม่ใช่หรือปรใช่สกหากสมาธิพระผู้มีประภาคตรัสไว้สามอย่างคือ 1. สมาธิที่มีวิตกมีวิจาร สสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มียงวิจารณ์มสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสมาธิไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานชานนันตรฤกกะคถาจบ 8. สมาปันโนสัตทังสุนาตีติกถาว่าด้วยผู้เข้าสมาบัตดได้ยินเสียง8ปดยี่สิสาม สกผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงใช่ไหมปรใช่สกผู้เข้าสมาบัติเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธิภาพทางกายได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงใช่ไหมปรใช่สกผู้เข้าสมาบัติเป็นผู้พร่างพร้อมด้วยโสตวิญญาณใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมาธิมีแค่ผู้พร่างพร้อมด้วยมโนวิญญาณไม่ใช่หรือปอร์ใช่สกหากสมาธิมีแก่ผู้พร่างพร้อมด้วยมโนวิญญาณท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัตดได้ยินเสียงได้สกสมาธิมีแค่ผู้พร่างพร้อมด้วยมโนวิญญาณผู้พร่างพร้อมด้วยโสตะวิญญาณได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปอร์ใช่ สกหากสมาธิมีแค่ผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณผู้พรั่งพร้อมด้วยโสตะวิญญาณได้ยินเสียงได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงได้ rim. ส, ด ส, ดสกสมาธิมีแค่ผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณผู้พรั่งพร้อมด้วยโสตะวิญญาณได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปร <Por or. S 2> ใช่สกมีการประชุมแห่งพัรษาสองจิตสองดวงใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น8 24. ป4อยปรท่านไม่ยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัดได้ยินเสียงใช่ไหมสกใช่ปรเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียง825สกเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานเพราะเหตุนั้นผู้เข้าสมาบัติจึงได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปรใช่สกวิตกวิจารณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยฌานทุติยฌานนั้นยังมีวิตกวิจารณ์ใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักต่อปฐมฌานดังนั้นผู้เข้าสมาบัติจึงได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปอรอใช่สกปีติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักต่อตติยฌานลมอัศสาสะปัสสาสะตรัสว่าเป็นปฏิปักต่อจตุทฌาน รูปสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าอาการสาญจายตนะสมาบัติอาการสาญจายตนะสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าวิญญาณจายตนะสมาบัติวิญญาณจายตนะสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าอากินจัญญาจตนะสมาบัติอากินจัญญาจตนะสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญาจตนะสมาบัติ สัญญาและเวทนาตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าสัญญาเวทียิทนิโรธาสมาบัติผู้เข้าสัญญาเวทียิทนิโรธาสมาบัตินั้นยังมีสัญญาและเวทนาอยู่ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสมาปนโนสัตทังสุนาตีติขถาจบเก้จักขุนารูปังปสติติกถาว่าด้วยเห็นรูปทางตา8ปดยยี สกบุคคลเห็นรูปทางตาใช่ไหมปรใช่สกบุคคลเห็นรูปด้วยรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลเห็นรูปด้วยรูปใช่ไหมปรใช่สกบุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรใช่สก รูป <PTSD> เป็นมโนวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลเห็นรูปทางตาใช่ไหม numbered? ปรใช่สกตามีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกตาไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจมิใช่หรือปรใช่สกหากตาไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลเห็นรูปทางตาสกบุคคลฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายใช่ไหมปรใช่สกบุคคลถูกต้องรูปด้วยรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลถูกต้องรูปด้วยรูปใช่ไหมปรใช่สก บุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลรับรู้รูปด้วยรู ป, ชปรใช่ไหมปรใช่สกรูปเป็นมโนโวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอยอ่างนั้นสกบุคคลถูกต้องผดุถภะทางกา ย, ชยใช่ไหมปรใช่สกกายมีความนึกถึงความตั้งใจใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจมิใช่หรือปอร์ใช่สกหากกายไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลถูกต้องผลทพะภภทางกายแปด้อยี่สิเจปอร์ท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลเห็นรูปทางตาถูกต้องผลทพะทางกายใช่ไหมสกใช่ ปรพระสูที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาถูกต้องโพธพภะทางกายมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นบุคคลจึงเห็นรูปทางตาถูกต้องโพธพภะทางกายจะขุนารูปังปัสตีติกถาจบอัตถระสมะวัคจบ รวมคาถาที่มีนิวัก์นี้คือหนึ่งมนุสสะโลกะกถาสองธรรมเทศนาคาถาสกรุณาคาถาสคันทชาติกคาถาหเอกมระมคคาถาหชาณสังกันติกีคาถาเจชาณันตริกะคาถา 8. สมาปันโนสัทธังสุนาติติียคาถา9าจักขุนารรปังปัสติติียคาถา ส9เก้าเอกูณวีสติว์หนึ่งกิเลสชาหนกาักกถาว่าด้วยการละกิเลส828อย่สบสกบุคคลละกิเลสที่เป็นอดีตได้ใช่ไหมปรใช่ สกบุคค ล, ล yeah mm ให้ทำที่ดับแล้วดับไปให้ทำที่หายไปแล้วหายไปให้ทำที่สิ้นไปแล้วสิ้นไปให้ทำที่ศูนย์ไปแล้วศูนย์ไปให้ทำที่ดับศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลและกิเลสที่เป็นอดีตได้ใช่ไหมปรใช่สกอดีตดับไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สก หากอดีตดับไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลและกิเลสที่เป็นอดีตได้สกบุคคลและกิเลสที่เป็นอดีตได้ใช่ไหมปรใช่สกกิเลสที่เป็นอดีตไม่มีมิใช่หรือปรใช่สกหากกิเลสที่เป็นอดีตไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลและกิเลสที่เป็นอดีตได้แปดอยี่สก่อสก บุคคลและกิเลสที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลให้ทาที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดให้ทาที่ยังไม่เกิดพร้อมไม่ให้เกิดพร้อมให้ทาที่ยังไม่บังเกิดไม่ให้บังเกิดให้ทาที่ยังไม่ปรากฏไม่ให้ปรากฏได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลและกิเลสที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรใช่สก กิเลสที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดมิใช่หรือปรใช่สกหากิเลสที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลและกิเลสที่เป็นอนาคตได้สกบุคคลและกิเลสที่เป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรใช่สกกิเลสที่เป็นอนาคตไม่มีมิใช่หรือปรใช่สกหากกิเลสที่เป็นอนาคตไม่มี ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลและกิเลส ท, ที่เป็นอนาคตได้แปดร้อยสามสิบสกบุคคลและกิเลส ท, ที่เป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้กำหนดและราคะผู้ขัดเคืองและโทสะผู้หลงและโมหะผู้เศร้าหมองและกิเลสได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลและราคาด้วยราคะ ละโทสะด้วยโทสะละโมหะด้วยโมหะละกิเลสด้วยกิเลสได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคะสัมปยุทธ์ด้วยจิตมักก็สัมปยุทธ์ด้วยจิตใช่ไหมปรใช่สกในการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคะเป็นอกุศลส่วนมักเป็นกุศลใช่ไหม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 มีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้แปดร้อยสามสิบเอ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลและกิเลสที่เป็นอดีตกิเลสที่เป็นอนาคตกิเลสที่เป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมสกใช่ปอรอบุคคลที่ละกิเลสได้ไม่มีใช่ไหม สกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นบุคคลจึงละกิเลสที่เป็นอดีตกิเลสที่เป็นอนาคตกิเลสที่เป็นปัจจุบันได้คิเลสะชะกกาณกถาจบสองสุญญตาคถาว่าด้วยความว่างแปด้อยสาสิบสองสกความว่างนับหนึ่งในสังขารขันใช่ไหมปรใช่สก นิพพานที่ไม่มีนิมิตก็นับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความว่างนับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรใช่สกนิพพานที่ไม่มีที่ตั้งนับเนึ่งในสังขารขันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิพพานที่ไม่มีนิมิตท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่งในสังขารขันใช่ไหมปรใช่ สกความว่างท่านไม่ยอมรับว่านับหนึ่งในสังขารขันใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิพพานที่ไม่มีที่ตั้งท่านไม่ยอมรับว่านับหนึ่งในสังขารขันใช่ไหมปรอใช่สกความว่างท่านไม่ยอมรับว่านับหนึ่งในสังขารขันใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาไม่ใช่หรือปรใช่สกหากสังขารขันไม่เที่ยงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความว่างนับหนึ่งในสังขารขันแปดร้สาสิสามสกความว่างแห่งรูปขันนับหนึ่งในสังขารขันใช่ไหมปรใช่สก ความว่างแห่งสังขารขันนับเนื่องในรูปขันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความว่างแห่งเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันนับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรใช่สกความว่างแห่งสังขารขันนับเนื่องในวิญญาณขันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความว่างแห่งสังขารขันท่านไม่ยอมรับว่า นับเนื่องในรูปประคันใช่ไหมปรใช่สกความว่างแห่งรูปประคันท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความว่างแห่งสังขารขันท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในเวทนาขันนับเนื่องในสัญญาขันนับเนื่องในวิญญาณขันใช่ไหมปรใช่สกความว่างแห่งวิญญาณขัน ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแป4ร้อยสามสิบสี่ปรท่านไม่ยอมรับว่าความว่างนับเนื่องในสังขารขันใช่ไหมสกใช่ปรพระสูที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสังขาร น, นี้ว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่นับเนื่องด้วยอัตตามีอยู่จริงมิใช่หรือ สกใช่ปรดังนั้นความว่างจึงนับหนึ่งในสังขารขันสุญญตากฐถาจบสามสามัญญผลละกถาว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณนะแป5ร้อยสาสิบห้าสกผลแห่งความเป็นสมณนะเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไปนในสังขตะใช่ไหมปรใช่สก ผลแห่งความเป็นสมณะเป็นนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผลแห่งความเป็นสมณะเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปอร์ใช่สกที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้สามสิบหกสกผลแห่งความเป็นสมณะเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปอร์ใช่สก ความเป็นสมณะเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความเป็นสมณะเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกผลแห่งความเป็นสมณะเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโซดาปฏิผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปรใช่สกโซดาปฏิมักเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโซดาปฏิมผลเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกโซดาปฏิผลเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสกทาคามิผลอนาคามิผล อรหัตผลเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกอรหัตมรักเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรหัตตมรักเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกอรหัตผลเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 สภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีห้าอย่างใช่ไหมป ร, รใช่สกที่ต้านทานมีห้าอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีห้าอย่างใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามัญญผลลกถาจบสปฏิกระถาว่าด้วยการได้แปดร้อยสาสิบเจ็ดสกการได้เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เป็นในสังคตะใช่ไหมปรใช่สกการได้เป็นนิพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่ระลึกเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการได้เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สก สภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรใช่สกที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้สามสิบแปดกการได้จีวอนเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม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 ภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมป ร, รใช่สกที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการได้บิณฑบาตการได้เสนาสนะการได้กีฬานปัจจัยเพศปริขารเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมป ร, รใช่สก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 สภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรใช่สกที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการได้ขีวรเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งการได้บินทบาทการได้เสนาชนะการได้ขีฬานปัจจัยเพศบริขารเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 839สกการได้ปฐมฌานเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งควรให้พิจารณาทั้งหมดโดยในที่กล่าวมาแล้วการได้ทุติยฌานตัตยฌานจะตุทฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญญายตนะอากินัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกธาคามิมัก สกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมักการได้อรหัตผลเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกการได้เป็นนิพพานเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการได้อรหัตผลเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 สภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีก้าอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสปสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีก้าอย่างใช่ไหมปรใช่สปที่ต้านทานมีก้าอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีก้าอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดร้อยสี่สิบปรท่านไม่ยอมรับว่า การได้เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสปใช่ปราการได้เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นการได้จึงเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปฏิกรถาจบห้าตัตะตากระถาว่าด้วยความเป็นจริง 841สกความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังขตะใช่ไหมปรอใช่สกความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นนิพพานเป็นอมตะใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 842อยสี่อกความเป็นรูปแห่งรูปความเป็นรูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมิใช่หรือปรใช่สกความเป็นรูปแห่งรูปนั้นเป็นนิพพานเป็นอมตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความเป็นรูปแห่งรูปความเป็นรูปเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 สกความเป็นเวทนาแห่งเวทนาความเป็นเวทนาความเป็นสัญญาแห่งสัญญาความเป็นสัญญาความเป็นสังขารแห่งสังขารความเป็นสังขารความเป็นวิญญาณแห่งวิญญาณความเป็นวิญญาณเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่หรือปรใช่สกความเป็นวิญญาณแห่งนิพพานเป็นอมตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 สภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีหกอย่างใช่ไหมปรใช่สกที่ต้านทานมีหกอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีหกอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดร้อยสี่สิบสามปรท่านไม่ยอมรับว่าความเป็นจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกใช่ปร ความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอรอดังนั้นความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมทั้งปวงจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตัตตาคถาจบ